ท่านผู้มีเจตเมตตากรุญาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสาารณะที่พึ่งทางใจ อพระรัตนทัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆรัตนพุทธรัตนาธรรมรัตนาและสังฆรัตนาเรียกว่าพระรัตนาไตรคือคไตรแปลว่าสามรัตนาแปลว่าแก้วหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะว่าจะสามารถปกป้อง รักษาให้ใจนั้นปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจต่างๆได้หน้าที่ของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีหน้าที่ไว้ปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาร่างกายไม่ให้ถูกภัยพิบัติต่างๆ มาทำลายเพราะว่าเรื่องของร่างกายนี้ไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งนั่นเองร่างกายนี้อยู่ใต้ภาะวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีการเกิดมีการดับเพราะไม่มีตัวตนไม่เป็นของของไทยเป็นของธรรมชาติมาจากธรรมชาติก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เกิดภัยต่างๆกับร่างกายเพราะไม่สามารถทําได้นั่นเองแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าถ้าร่างกายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องเป็นเหมือนกับร่างกายของปุถุชนทั่วๆไป เธอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องมีพบกับภัยพิบั ต, ติต่างๆเช่นเพิ่มเช่นพบกับน้ำท่วมพบกับไฟไหมพายุแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวภัยเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนาจัยที่จะมาหักห้ามป้องกัน ดังนั้นขอให้เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องเวลาเรายึดพระรัตนาตรัยเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งขอให้เรารู้ว่าหน้าที่ของพระรัตนาตรัยนั้นมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเรา <c oughs> ไม่ให้ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆ <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นกับร่างกายถ้าเรา รู้จักหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้ไม่ผิดหวังไม่ฉะนั้นแล้วเราจะผิดหวังจะเสียใจว่าปุตส่านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ทําไมบ้านยังถูกน้ําท่วมบ้านทําไมจังถูกไฟไหม้ขโมยยังขึ้นบ้านอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระรัตนตรัย พระรัตนาตรัยมีหน้าที่ทาใจให้เราสบายถึงแม่น้าจะท่วมใจก็จะสบายถึงแม้ขโมยจะขึ้นบ้านใจก็จะสบายถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็จะสบายไม่เจ็บร้อนนี่คือหน้าที่ของพระรันตนตรายทำปกป้องคุ้มครองรักษาให้ใจไม่ทุบปุ้นหวายได้ให้เชื้อให้ใจอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ให้ใจไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้เพราะใจนี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีที่พึ่งคือไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางก็จะหลงเดินทางไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด ไปทุกข์กับร่างกายทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเพราะร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันนั่นเองแต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางพาใจไปใจก็จะไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ต้องไปเกิดใหม่ใจจะไปสู่พระนิพพานเป็นแดงอันกเกษมสัน มีแต่ความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่คือหน้าที่ของพระรันตนกายผู้ใดมีพระรันตนรัยอยู่ในใจแล้วใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใจจิตใจจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่หวาดกลัวไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายไม่สิ้นหวังใจจะมีความหวังมีความสมหวังอยู่ภายในใจตลอดเวลานั่นก็คือมีความสุขใจอิ่มใจพอใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนี่แลเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย จะทำให้แก่ใจของพวกเราดังนั้นเวลาเรามาวัดก็ขอให้เราหันข้อหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาพระพุทธประวัติพระอริยสงฆ์ประวัติและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการสืบทอดด้วยพระอริยสงฆ์สาวกให้เอามาศึกษา เพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่จะสร้างพระรัตนาไกยสร้างที่พึ่งให้แก่ใจของพวกเราวิธีการสร้างนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนไว้ด้วยสามข้อใหญ่ๆก็คือข้อหนึ่งให้ทำบุญให้ถึงพร้อมให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสองให้ละ บ, บาปทั้งปวงส ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นขยะของใจให้หมดสิ้นไปถ้าสามารถทำได้ครบทั้งสามประการนี้แล้วใจก็จะมีที่พึ่งสมบูรณ์ใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นกับในโลกนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้พรุ่งนี้ถ้าโลกนี้จะระเบิดโลกนี้จะสิ้นสุดลงก็จะไม่ทำให้จิตใจเดือดร้อนเพราะจิตใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเองจิตใจเป็นเหมือนผู้ที่ควบคุมยานอาวกาศยานอาวกาศที่ถูกส่งออกไปจากโลกนี้ที่ไม่มีผู้ขับเคลื่อนในยานอาวกาศ ก็จะต้องมีผู้ควบคุมยานอวกาศที่อยู่บนโลกนี้ที่ควบคุมด้วยกระแสวิทยุสื่อสารสามารถสั่งให้ยานอวกาศทำอะไรต่างๆได้เช่นเวลาไปสารวจโลกพระจันทร์หรือดาวอังคารก็ใช้สัญญาณทางวิทยุนี้สั่งการไปที่ยานให้ทำอะไรต่างๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับยานอวกาศ ก็จะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่ควบคุมยานาวิกาเพราะอยู่คนละโลกกันฉันใดใจกับร่างกายก็อยู่คนละโลกกันร่างกายนี้อยู่ในโลกที่เราเห็นกันอยู่นี้ส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์เพราะใจเป็นเป็นร่างทิพย์นั่นเองใจไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายร่างกายอยู่ในโลกกระทาส่วนใจอยู่ในโลกทิพย์ ใจใช้การความคิดสั่งการให้ร่างกายทำอะไรไปต่างๆนาน า, นาเช่นวันนี้ใจก็สั่งให้มาที่วัดให้เอาข้าวของมาทำบุญถวายพระให้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันร่างกายเป็นเพียงผู้รับกระแสคือเสียงธรรมแล้วก็ส่งไปที่ใจอีกตอ่อไปใจเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากการฟังเทศฟังธรรมร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อะไรใจเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการทำบุญเพราะทำออกมาจากคำสั่งของใจใจกำลังทำความดีใจกำลังสร้างสราระที่พึ่งให้แก่ใจไม่ได้มาสร้างสราระที่พึ่งให้แก่ร่างกายร่างกายจะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามวาระของเขา ไม่เกี่ยวกันร่างกายนี้เป็นเหมือนยานาวกาไม่มีตัวตนเป็นเพียงเครื่องมือของใจที่จะให้ใจได้ทำบุญให้ทำบาปหรือให้ชำระใ จ, ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถ ไปทำลายจิตใจได้นอกจากความหลงของจิตใจเองที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นไปยึดติดกับร่างกายแล้วก็ไปยึดติดกับร่างกายของคนอื่นยึดติดร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของลูกของหลานของเพื่อนฝูง แะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆใจนี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจเองด้วยความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของใจเป็นตัวใจเช่นเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวใจเห็นของต่างๆที่ร่างกายนี้ได้มาครอบครองเป็นของใจ เป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราแล้วก็เลยเกิดความอยากให้ของที่เป็นของเรานี้ปลอดภัยดีเสมอไม่ให้จากเราไปแต่นี่มันเป็นความความเห็นผิดเพราะความจริงของร่างกายและของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่คงเส้นคงวา ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเวลาได้มาใหม่ๆก็จะดีแต่พออยู่ไปนานๆนข้ามันก็จะเสื่อมมันก็จะชำรุดเช่นรถยนต์หรือข้าวของต่างๆที่เวลาซื้อมาใหม่ๆก็จะดีไปหมดทุกอย่างแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะชำรุดสุดทรงต้องเอาเข้าอู่ต้องเข้าไปซ่อม ต้องข้อเอาไปเปลี่ยนอะไรต่างๆจนในที่สุดก็จะไม่สามารถซ่อมได้ทำอะไรได้ก็ต้องทิ้งไปนี่คือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจะเป็นเพศใดก็ตามจะเป็นจะมีสถานาภาพอย่างใดก็ตามเป็นเหมือนกันหมด เป็นคนรวยก็เป็นเหมือนกันเป็นคนจนก็เป็นเหมือนกันเป็นพระก็เป็นเหมือนกันเป็นคารวะก็เป็นเหมือนกันไม่มีข้อยกเว้นสาหรับเรื่องของร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ไปด้วยกันทุกคนจะต้องเจอความเสื่อมจะต้องเจอการสิ้นสุดเจอการดับไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกธาตนี้มีแต่ใจนี้ทางหากที่ไม่เสือ่อมไม่เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆแต่ใจไปทุกข์กับสิ่งต่างๆแทนเพราะว่ามีความหลงไปเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นใจเป็นของใจดังนั้นหน้าที่ของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ ยังมีหน้าที่มาสอนใจของพวกเราทุกคนให้หายหลงให้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้มีวันตายแต่ใจนี้ไม่มีวันตายใจเป็นเพียงผู้มาควบคุมร่างกายอันนี้ให้ทําอะไรต่างๆให้แก่ใจแต่ใจจะไม่ตายไปกับร่างกายแต่ใจจะทุกข์ ถ้าใจหลงแล้วไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปทำบาปใจก็จะทุกข์ถ้าไปโลภไปโกรธไปหลงใจก็จะทุกข์เพราะจะเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจเช่นพวกเรานี้ทุกข์ใจเพราะเวลาที่มีคนเขาด่าเราเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอยากให้เขาชมเรานั่นเอง เราไม่อยากให้เขาด่าเราพอใครด่าเราเราก็เกิดความโกรธเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้คนอื่นเขาดีกับเราได้สั่งให้เขาชมเราได้เสมอไปเพราะเขามีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเขามีผลประโยชน์เขามีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าเขาได้ประโยชน์เขาก็จะชมเราถ้าเขาเสียประโยชน์เขาก็จะด่าเราเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้แต่เราสามารถยิ้มได้ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักสอนใจให้อยู่เฉยๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับคำชมกับคำด่าของผู้อื่นนะเราจะไม่เสียใจถ้าเราอยากไปอยากให้เขาชมเรา อย่าไปอยากไม่ให้เขาด่าเราเวลาเขาชมเราเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนเวลาเขาด่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เราสามารถสอนใจเราได้สามารถสอนใจให้เราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใจเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆและบุคคลต่างๆที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นของใจเท่านั้นเองนี่คือสาระที่พึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่การทำใจให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่วันนี้ญาติโยงพร้อมใจที่มาเสียเงินเสียทองเสียเวลากัน เสียแบบนี้ยากยิโมไม่เสียใจเสียแบบนี้กับมีความสุขใจเพราะอะไรเพราะพร้อมที่จะเสียยินดีที่จะเสียนั่นเองแต่ถ้าไม่พร้อมเช่นมีใครมาขโมยมันไปก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมา ท, าทันทีแต่นี่เราพร้อมเพราะเรารู้ว่าเงินทองนี้เป็นของนอกกายนอกใจเป็นเงินทองที่จะไม่อยู่กับเราเป็ตลอด แต่ถ้าเราเอามาทำบุญเราก็จะได้รับประโยชน์จากเงินทองก้อนนี้คือใจของเราจะได้รับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางนั่นเองที่เกิดจากการเสียสละที่เกิดจากการตัดความยึดติดความหวงความห่วงที่มีอยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองยิ่งถ้าให้ได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นท่านั้นนักบวชจึงมีความสุขมากกว่าขาลาราชาญาติโยมเพราะนักบวชนี้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆไปหมดแล้วนั่นเองใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่หวงไม่ห่วงกับสมบัติเข้าของเงินทองกับบุคคลต่างๆอีกแล้วนี่แหละคือการทำใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ เราต้องปล่อยเราต้องเสียสละเราต้องตัดสิ่งต่างๆที่เรากำลังยึดติดอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งที่เรายึดติดอยู่เราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะต้องถึงกับข่าตัวตายไปเพราะความเสียใจนั่นเองแต่ถ้าเราตัดได้หมดแล้ว เวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะความจริงแล้วเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปแต่เราถ้าหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจและเวลาเราสูญเสีย รเราต้องจากสิ่งต่างๆไปเราก็จะทุกข์ทรมานใจเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าเราปล่อยวางได้ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเราแล้วเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างวันนี้ญาติโยมก็เชื่อ ทำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมาให้ทำบุญก็คือให้สอนให้มาตัดนั่นเองให้ตัดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ต้องทำให้มากกว่านี้เพราะเป็นเหมือนการรับประทานอาหารถ้ารับประทานอาหารไม่หมดจานมันก็จะรับมันก็จะไม่อิ่มมันจะไม่พอการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังสละไม่หมดมันก็ยังไม่อิ่มมันยังไม่พอยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ถ้าสละหมดแล้วทีนี้ก็จะไม่ทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีพอไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายไปถ้าไม่พอหรือรักษาร่างกายไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปเพราะขั้นต่อไป เราก็จะต้องมาปล่อยร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่ปล่อยร่างกายอันนี้เราก็ยังจะต้องทุก์กับร่างกายอันนี้อีกต่อไปเวลาร่างกายเจ็บเราก็ทุกข์เวลาร่างกายแก่เราก็จะทุกข์เวลาร่างกายตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามาปล่อยร่างกายได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนยาอวกาศที่เราใช้ ให้มันไปทำหน้าที่ต่างๆเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องยุติลงเราก็ปล่อยมันไปให้มันไปตามความเป็นจริงของมันเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเรากับมันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองนี่คือการตัดเราต้องตัดของข้างนอกก่อนของที่ง่ายก่อน ตัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ง่ายกว่าตัดอวัยวะหรือชีวิตของร่างกายดังนั้นเราต้องพยายามทำบุญให้ทานให้มากๆทำให้บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะมีความเบาอกเบาใจเราจะต้องเราไม่ต้องไปดินน้นนนหาเงินหาทองมาให้เหนื่อยยากไม่ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทอง หาก็หาเท่าที่จำเป็นก็พอไม่ต้องการมากไปกว่าความจำเป็นหาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดกับใจไปเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเมื่อปล่อยข้างนอกได้แล้วเราก็จะมาปล่อยร่างกายของเราต่อไปเพราะเราจะเห็นว่า ความสุขที่ได้รับจากการปล่อยนี้ดีกว่าความทุกข์หรือความสุขที่ได้รับจากการยึดติดกับร่างกายร่างกายนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับใจมันมีแต่ให้ภาระกับใจที่จะต้องคอยดูแลทุกวันนี้ที่เราทำงานทำการกันแทาเป็นท้าตาย ก, าก็เพื่อที่จะได้มาดูแลรักษาร่างกายนี้ถ้าไม่ไปทำงานทำการก็จะไม่มีไรายได้ ที่จะไปซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อบ้านมาอยู่ซื้อยารักษาโรคมารักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายแล้วถ้าเราไม่สามารถหาเงินหาทองเพื่อมาซื้ออาหารซื้อยามารักษามาดูแล ร, ร่างกายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะในที่สุดเราก็รู้ว่า ร่างกายนี้มันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามดูแลให้ดีขนาดไหนมันก็ต้องตายไม่ดูแลมันก็ต้องตายมีแต่ตายก่อนหรือตายหลังเท่านั้นเองตายช้าหรือตายเร็วคนตายเร็วนี้กลับสบายกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหมาที่เราเลี้ยงอย่างนี้ถ้าถ้ามันตายไปเราก็หมดภาระ ไม่ต้องเลี้ยงมันถ้ามันอยู่เราก็ยังต้องไปหาข้าวมาให้มันกินอยู่นี่คือความจริงของร่างกายที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราปเป็นหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราจึงต้องแบบภาระเลี้ยงร่างกายนี้ไปอย่างทุกยากลาบากแทบเป็นแทบตากับการเลี้ยงดูดูแลรักษาร่างกายนี้แล้วผลเป็นยังไง ในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีมันไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้กับเราเลยนอกจากว่าถ้าเราเอามาปฏิบัติตามพระธรรมธรรสอนของพ่อระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเราไม่เอามาทําประโยชน์ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมีร่างกายนี้ไว้ก็มีไว้สร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นภาระให้เราที่ที่เราจะต้องแบกไปจนถึงวันสุดท้ายของมันแล้วเราก็จะไม่ได้รับอะไร นอกจากได้รับความทุกข์ความวุ่นวายใจจากการที่จะต้องคอยดูแลรักษามันไปวันๆหนึ่งดังนั้นขอให้เราจงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้สอนเราท่านสอนบอกว่าให้เอาร่างกาเหล่านี้มาทำประโยชน์กับจิตใจคือมาทำบุญเอาข้าวของเงินทองต่างๆที่เหลือกินเหลือใช้ ที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้นี้เอาไปแจกจ่ายเอาไปให้หมดอย่าเก็บเอาไว้แล้วเราก็ทำหาหากินด้วยวิธีที่สุดจริตคือไม่ทำบาปจะไม่ข่าจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดบทมดเท็จะไม่เศษสรุสรายามาเพราะเวลาทำบาปแล้วใจจะเกิดความทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมา เวลาทำบาปแล้วกลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองเวลาโกหกสามีหรือโกหกภรรยาก็จะเกิดความความไม่สบายใจเกิดความหวาดวิตกขึ้นมากลัวสามีหรือภรรยาจะรู้เข้าแล้วก็จะต้องเกิดการทะเลาะกันหรืออาจจะต้องแยกทางกันอยู่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นอย่าไปทำในสิ่งที่เราจะต้องมา พูดทีหลังทำในสิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยอย่าไปทำบาปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาโกหกแล้วเราจะมีเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายนี่คือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของใจอย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเราจำเป็นจะต้องพูดความจริงแล้วเขาจะโกรธเราเปลี่ยนเรา หรือเขาจะแยกทางเดินกับเราก็ปล่อยให้เขาทำไปแต่เมื่อเราพูดความจริงแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะเย็นสบายพร้อมที่จะรับวิบากของเราที่เราทามาถ้าเราทำอะไรไม่ดีไว้ก็พูดไปตามความจริงอย่ามาสร้างบาปขั้นที่สองกระทงที่สองด้วยการมาแก้ตัวด้วยการมาพูดปดเพราะจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นสอง สองเท่าแทนที่จะสบายใจถ้าทำอะไรผิดแล้วสารภาพไปเสียแล้วใจจะสบายใจจะหายทุกข์แต่ถ้าทำแล้วมาปกปิดมาโกหกก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นสองเท่าด้วยกันเพราะพรุทธเจ้าจึงสงสอนไม่ให้ทำบาปทั้งปวงเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองและประการสุดท้ายก็สอนให้เรา ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพราะเวลามีความโลภแล้วใจก็จะวุ่นวายเวลามีความโกรธใจก็จะร้อนเวลามีความหลงก็จะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็จะเสียใจพอได้มาก็ต้องมากังวลมาห่วงมาห่วงอีกนี่คือปัญหาที่ เกิดขึ้นกับใจของเราที่ความโลภความโกรธความหลงนี้คอยสร้างให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงจำเป็นต้องชำระความโลภความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจำเป็นจะต้องทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมและจำเป็นที่จะต้องละบาป ท, ทั้งปวงเพราะว่าถ้าเราทำได้แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขไปตลอด ทั้งที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยหลังจากที่ใจได้ทำภารกิจทั้งสามข้อนี้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนี่คือสาระที่พึ่งของใจของพวกเราอยู่ที่การทำดีอยู่ที่การละบาและอยู่ที่การชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ ไม่มีใครทำให้เราได้ทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำกันเองอย่างที่ได้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านกำลังมาถูกทางแล้วขอให้ทำต่อไปทำให้มากขึ้นทำให้สมบูรณ์และรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีภัยอะไรมาทำให้จิตใจต้องทุกข์กับต้องทุกข์หรือวุ่นวายใจเลย นี่คือสารณะที่พึ้นของพวกเราขอให้พวกเราพยายามสร้างกันให้มากการแสดยก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขออยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญคุณส ม, มที่ท่านได้มาบำเพ็งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุข